และพวกเจ้าได้พำนักอยู่ในสถานที่ของบรรดาผู้ที่อาธรรมแก่ตัวของเขาเองและเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้วว่าเราได้กระทาแก่พวกเขาอย่างไร และเราได้ยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าแล้วและแน่นอนพวกเขาได้วางแผนของพวกเขาและแผนของพวกเขาอยู่ณที่อัลลอ์ถึงแม้ว่าแผนของพวกเขาจะทำให้พวกเขาเคลื่อนย้าย และแท้จริงเจ้าอย่าคิดเลยว่าอลัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ผิดสัญญา ก, กับบรรดาศาสนาทูตของพรุง่งแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงโต้ตอบอย่างเด็ดขาดวันซึ่งพันดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากพันดินนี้และชั้นฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าล l l ผู้ทรงเอกผู้ทรงอำนาจ และวันนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาอาจยากอนถูกล่ามโซ่ล uh um และเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาทำด้วยวัสดุไวไฟ และไฟจะลุกคลุมใบหน้าของพวกเขาเพื่อ Allah จะได้ทรงตอบแทนทุกชีวิตตามที่ได้แสวงหาไว้แท้จริงลล l a h นั้นทรงรวดเร็วในการสอบสวน นี่คือการประกาศแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะถูกตักเตือนด้วยมันและเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าแท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงเอกะและเพื่อบันดาผู้มีสติจะได้รำลึก